สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุด พ, พระเยซูตอนที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าพระเยซูในพระธรรมฮิบรูครั้งที่สี่เมื่อวานนี้นะครับผมขออนุญาตทบทวนว่าพระเยซูก็คือพระบุตรพระองค์เดียวของพระบิดาพระเจ้าผู้สร้างโลกในหลายๆข้อที่ผ่านมาเมื่อสามครั้ง เราพบว่ามีอยู่หกประการครับที่พูดถึงเรื่องของพระเยซูในพระธรรมฮีบรูนี้ประการแรกก็คือพระเยซูนั้นพระบุตรนั้นถูกเรียกว่าพระเจ้าโดยตรงแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าประการที่สองพระเยซูพระบุตรได้รับพระที่นั่งของทศัพท์นั่นหมายถึงการปกครองของพระเยซูประการที่สามพระเยซูพระบุตรถูกนิยามว่า โปร่งดำรงอยู่เป็นนิดซึ่งไม่มีใครดำรงอยู่เป็นนิดได้หรือโปรงทรงเป็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตได้เว้นเว้แต่พระเจ้าพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าประการที่สี่ลักษณะเฉพาะของอาณาจักรของพระองค์ก็คือความชอบธรรมพระเยซูเป็นผู้ที่ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้เที่ยงธรรมเป็นผู้ยุติธรรมประการที่ห้า ปรองทรงรักความชอบธรรมและเกลียดความชั่วช้าอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูจะต้องเสด็จมาสิ้นประชนบนไม้แหงเขนเพื่อที่จะชดใช้ความบาปหรือค่าจ้างของความบาปแทนพวกเราประการสุดท้ายครับประการที่หกพระเจ้าได้ส่งเจิมพระเยซูไว้ด้วยน้ํามันแห่งความบริสุทธิ์น้ํามันแห่งความยินดีซึ่งเป็นการเจิมตั้งกษัตริย์นั่นเอง พฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูอยู่ในสองสามสถานภาพที่อยู่ที่นี่ก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เชื่อฟังที่ทําตามที่ถ่อมพระไทยพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้และพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นคําว่ากษัตริย์นั้นก็คือ การปกครองของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรื่องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในสามข้อครับคือข้อสิบถึงสิบสองโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าและองค์พระบุเจ้าเจ้าค่ะเมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศไปแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องลุงหม่ม พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจเชือกคลุมและสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิมปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุดพิพ่มพีตอนนี้สนับสนุนประเด็นที่หกซึ่งผมได้พูดไปซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมสุดดีบทที่หนึ่งร้อยสองก็ยี่สิบห้าถึงก้อยี่สิบเจ็ดสะดุดดีบทนี้นั้นพูดถึงพระเยโฮวาและเอลเอลนั้นเป็นพระนาม ของพระเจ้าในพท่พีเดิมอย่างหนึ่งด้วยครับซึ่งแปลว่าพระเจ้าและพท่าพีตอนนี้ประยุกต์ใช้พระนามทั้งสองนี้กับผู้ที่ถูกพูดถึงโดยตรงก็คือพระเยซูนั่นเองพี่น้องลองกลับไปนะครับแล้วก็คลิกในสรุป ด, ดีบทที่หนึ่งร้อยสองก็ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดกล่าวโดยง่ายๆย่อยๆก็คือเป็นข้อความที่พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่ชัดเจนลึกซึ้งอีกข้อหนึ่ง นอกจากนี้องค์ผู้วิญ้าหรือพระเยโฮวาของสืบบุตรที่102นี้ก็ถูกประยุกต์ใช้กับพระบุตรอย่างชัดเจนในบริบทที่ใหญ่กว่าครับผู้แต่งพระธรรมพีบรูกําลังยกข้อสนับสนุนอย่างแข็งแรงว่าพระเยซูนั้นอยู่เหนือทุสวรรค์จริงๆแล้วพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาด้วยด้วยเหตุ น, นี้เองทําให้เราได้เห็นหนึ่งหลักข้อเชื่อของตรีการุภาพที่เข้มแข็งมาก คำว่าเตะกระดูกภาพที่น้องอย่าลืมนะครับว่าไม่ได้มีการบันทึกทาคํานี้ในพระคัมภีร์แต่ขณะที่เราพบกับชีวิตของพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูชีวิตของพระองค์นั้นถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งในพระคัมภีร์ใหม่อัครทูตทั้งหลายและพระองค์เองครับกําลังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพรงทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นอัครทูตเปาโลหรือแม้แต่ผู้เขียน พระธรรมฮีบรูกําลังบอกกับพวกเราซึ่งเป็นผู้อ่านว่าพระเยซูแท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนและนี่คือหลักข้อเชื่อที่สําคัญที่สุดในคิดศาสนาของเรานอกจากนี้ครับพระองค์พระเยซูนั้นยังมีบทบาทหลักในการสร้างครับหรือว่า creation เมื่อพิจารณาผสมการ <c oughs> ครับกับบทที่หนึ่งนะครับกับข้อที่ถูกยกมานี้ และประกอบกับในพระธรรมโคลสีบทที่หนึ่งข้อสิบหกสิบเจ็ดพระธรรมโคลสีบทที่หนึ่งข้อสิบหกสิบเจ็ดก็เป็นหลักข้อเชื่อข้อพิธีที่เกี่ยวข้องกับหลักข้อเชื่อที่สําคัญก็คือว่าพระเยซูนั้นพระบุตรมีส่วนในการทรงสร้างพระเยซูอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระเยเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงประเด็นที่สําคัญกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับ พี่น้องครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวต่อไปว่าสปปรรพสิ่งทั้งปวงนั้นมีอายุจํากัดและสุดท้ายแล้วมันจะเสื่อมสูญไปอันนี้พวกเราทุกคนรู้ครับอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมามีเวลาครับอยู่ภายใต้มิติของเวลาและถูกจํากัดทั้งสิ้นมีอายุและจะต้องเสื่อมไปมีวันหนึ่งครับพระเจ้าจะทรงถอดทิ้งแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ น, นี้เหมือนกับคนถอดเสื้อผ้าครับสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปคําว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่า มีความหมายว่าถูกแรกเปลี่ยนนะครับถูกแรกเปลี่ยนนี่เป็นข้อที่พูดถึงการที่พระเจ้าจะทรงทําลายฟ้าสำรักแผ่นดินโลกและจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับของเก่าแรกของเดิมนะครับของเก่าถอดทิ้งนะครับของเก่าเอาออกไปเอาของใหม่มาแทนนี่คือคําว่าแรกเปลี่ยนนี่คือคําว่าเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับพระบุตรพระเยซูในฐานะพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงพรงไม่ผันแปร พระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นนิรันดร์ของพระบุตรของพระเจ้าปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดครับไม่มีการหยุดพรงทรงดำรงอยู่ชัว่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นในข้อสิบสามครับแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระเจ้าได้ตรัสในเวลาใดว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านอันนี้เป็นการปิดท้ายนะครับที่บอกว่าพระเยซูนั้น ทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์นะพระเยซูทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์คาตอบชัดเจนนะครับไม่มีทูตสวรรค์องใดเลยนะครับที่อยู่เหนือพระเยซูและพระเยซูอยู่ในชั้นที่เหนือกว่าทูตสวรรค์พระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่บังเกิดมาในโลกนี้องค์เดียวเท่านั้นของพระเจ้าและพระองค์ทรงมีสภาพของพระเจ้าพรงทรงเป็นผู้สร้างทูตสวรรค์นะครับในการที่พระเยซูทรงประทับและเบื้องขวาแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นกษัตริย์ จงเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดายกย่องนะครับสรรเสริญและเป็นผู้ที่อยู่เหนือทูตสวรรค์และไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือพระองค์ได้อีกแล้วในข้อ14นะครับและพูดถึงว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงนั้นเป็นเพียงแค่วิญ ญ, ญาณที่ปนบนตบที่พระเจ้าส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ดับความรอดเป็นมรดกเพียงครับ<ม>แลาทั้งหลายทุกคนนะครับมีทูตสวรรค์นะครับ ที่เป็นวิญญาณที่พระเจ้าส่งมาดูแลชีวิตของพวกเราและนี่ก็คือเป็นข้อสนับสนุนเบื้องต้นของพระธรรมเล่มนี้คือพระเยซูทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นเพียงแค่สิ่งทรงสร้างและเป็นผู้ที่รับใช้และทูตสวรรค์ยังมาดูแลปกป้องเราด้วยวิญทูตสวรรค์นั้นเป็นวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระเยซูหรือพระเจ้านั้นส่งไปช่วยบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกพี่น้องครับ ถึงแม้ว่าทูตสวรรค์ผู้พิทักไม่ได้ถูกพูดถึงในเรื่องนี้แต่จุดประสงค์หลักของการมีอยู่ของพวกเขาก็คือพวกทูตสวรรค์ก็คือพวกคือก็คือเพื่อช่วยเหลือพวกเราครับเพื่ออนิบัติคนเหล่านั้นที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเราเดินทางไปไหนมาไหนเราทำอะไรอยู่พี่น้องครับเราอยู่ในโลกของวิญญาณอย่างไม่รู้ตัวนะครับเรามีทั้งมารซาตานคอย เป็นศัตรูที่จะจ้องทําลายเราตลอดเวลาในขณะเดียวกันครับเราก็มีทูตสวรรค์ที่จะคอยปกป้องพวกเราที่นองครับนี่คือพระมหากรุณาที่พระเจ้าได้ให้กับพวกเราทั้งหลายทูตสวรรค์เหล่านั้นนะครับก็คือหนึ่งในสิ่งหน่วงเหนี่ยวครับนะครับหนึ่งในสิ่งหน่วงเหนี่ยวที่ทําให้โลกนี้นั้นยังคงมีความยุติธรรมอยู่ยังคงมีความดีงามอยู่ยังคงมีศีลธรรมอยู่ยังคงมีจริยธรรมอยู่นะครับนอกจากจิตสานึก ของเราซึ่งเป็นเครื่องหน่วงเหนียวนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องหน่วงเหนียวทูตสวรรค์เหล่านี้ก็เป็นผู้ที่หน่วงเหนียวนะครับหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ความบาปนะครับชนะไม่ให้ความชั่วชนะความดีนะครับคอยปกป้องพวกเราซึ่งเป็นคนของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราได้เห็นถึงเวเวรมนะครับก็คือบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่เราอยู่บางคนไม่รู้ตัวครับ เพราะเป็นโลกที่มองไม่เห็นแต่นี่คือความจริงตามพระโอษะของพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับอาเมน